ห <c oughs> มือนี่ว่นศีน่ามันถึงแปดคําแปบดบคําเดือนสิบสองเป็นว่นศีนเป็นว่านพิเศษให้ต่างอกต่างใจรักษาศีนมาขอศีนแล้วก็รักษาศีนการมาสงมาขา้นแมนมาเฮียนนําเพลินมาสู่นาเพลินมาเฮียนนำเพลินว่าศีนขอนึงว่าพ่อให้ขาซัดพ่อให้รัก ต้องบให้รับรับไปแจ้งสารอย่างนี้นำพนเลเดามันมันจิเป็นศีลดีๆหนีนน่ต้องมันเข้ารับษาเด่กต้องอยู่ในใจเข้าการเข้าฟังไปซื้อๆอยู่ในหัวเนี่ยบอกไปหให้เคล็ดฉันว่าใหวพาชัด ก, ก็จะให้ละเว้นจากการทําำลายที่วิตจัดให้ตกล่วงไปหอดบอกขามันหอดบอลั่งแก่เบียดเบียนมันกกเวลาชัด นั่นเรียกว่ารักษาศิลปันแม่นเท้าเพได้ขาดไปจิงแต่ว่าเ้าเบียดเบียนร่างแก่ันอยู่นะแต่ว่าศิลดังพว่าทั้นขาดศิลดงศิลสอดจังนเอยบทัาขาดนี่นะบอรักษาแต่ือการปฏิบัิในการเพื่อการว่าโภหกพล่มมุดมุขสารเพือกันคือล่าเพือกัน่อตั้งใจรักษา ขันเณรแนวครัวห่าบริเฮตซื้อๆแต่ว่าใจเ่าบริตั่งใจบริตั่งใจเรีนมั่นละมันเพรเป็นศิลดอกมันมันท้าเรืเสือบังเอิญบริเฮตซื้อๆขันเณรได้โอกาสเทศปฏิบัติอยู่น่อแบบนั้นเ่าเป็นศิลป์เนี่ยบริเฮตครัวแต่ว่าบริตั่งใจละบริขันห้าสั่งใจละมันเป็นศิลมันจงได้บุญหลายเนี่ พันนข้ามาวัดแล้วมื อ, อยังส่ละมือมันบุญหลายมือบุญหลายนี่รักษาเอาสั่งใจเอาได้ว่าใคร่ามันถือดตามาคุณละนวยมาใส่บุญกตาในแม่กะกะตาใจให้น้อมใจไปเฮ็ดดียังกับนมใจไปข้าบุญข้าท่านถวายเจตุปัตย์ใจพัฒนาหันเนี่ยโมนี่ล่ะมันเป็นบุญเป็นบุญนี่มันเกิดขว่วมเบิกบานยินดี ดีใจว่าโอ้นถือเห้าแนวให้เท้าให้ไปเนี่ยมันได้ประโยชน์แก่คนตัวเนี่ยยังมาถวายพัะตาหารพระเจ้าพระสงฆ์ผู้บาอาจารย์ไปแล้วพระเจ้าพระสงฆ์เ่อนเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้บอกเจเล่บ่เบียดบ่เบียนผู้ไดอยู่ในศีลในธรรเนี่ยผันเท้าไดบูชาเพลนผันเทาไปเห็นเนี่ยนเพลน ไลปซอยคนน่มันเท่าก็ดีใจไแล้วสรคิดเครืองว่าพระเจ้าพระสงฆ์ตุ้มนีนเ่เี่ยจนเกิูมันในพระธรรมวินัยตลอดไปเพื่อรักษาไวไ้ไยมันเป็นรักษาธรรมรักษาวินัยของพระพุทธเจ้าไว้ไว้โดนๆย่ำย่ำได้ที่พวท่านสายสุล่ะแต่เป็นรักษาไปจนหอดตุดจีสุล่ะพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เข้าก็ได้เนี่ยเขาได้ถวาย ปัสสาระจะเป็นต่อยตอ่ออายุชีวิตคนตอ่อให้คนมีเหี่ยวมีเลี่ยวมีแรงสีย่างจงกลมก็ได้สีนั่งเข้ามาน้ากัได้มีสีนะปฏิบัติศาสนาคิดได้สิแต่เป็นการซ่อยพ้อพุทธศาสนาเห็นมันยาวมันแข็งแรงนนแต้นหนาสีเสน่ห์ถ้าสมมุติว่าเขาตายไปเกิดมาใหม่สียังสิสียังสีพบข้อพุทธศาสน า, าอายุเป็นคนรักษาไว แผนบุญที่ผู้ใดรักษาไว้มันขาดมันกินมันขาดพุดพุดลงหันเราไม่เท่าเกิดศาสนามากกว่าบ่เด็กป่อยังหละยังเสียอันนี้มันเป็นบุญเป็นบุญสืบบุญต่อไปหอดพบนาศาสนาเป็นการกันโลกเขาพุทธศาสนาให้เป็มแข็งถาวอนมันโค้งยื่นหน้านเ่็นไหมเป็นบุญหลายโมเป็นเจ้หุ่นบุญแค่เท่าดอกบุญแค่ชัดต่อัดทั้งหลาย พระประสั์ทั้งหลายสิเขามาทุดท่ายไถยหลังเขามาเห็นพระพุทธศาสนาก็โอ้มันดีคึออนะยังนี่แหละคือึงเฮ้าอ่อนนี่นะปลูกพกใหม่ไปพวกนู้นนี่นะมีหิ้มท่าทันนะ่ะเข้ากับดิส่นที่แรกก็ดิส่นห้มปลูกไว้าิกินน้วยมันน่ะละแล้ิดดิส่นหฮมนั่อเข้ากับอนุไ ล, ล, ลายสึวนไลส์สนก็ดีมันใหญ่เล็กน้อยบอสันใหญ่หลายแต่ก็ดิสน้นมแล้ว น้วยเก็ได้กินนั่นแล้วเนะี่ยจังน้อยอินาเท้าตายไปฮหเนี่ยเมื่อข้าคานไปแล้วเนี่ยภูม่าน้ำฝนก็ได้ชนหอมเท่านี้กินน้วยมันฟออบนะบุญมันไหลยอย่าง น, นี้นะเนีการเท้าจะโลงพระบุตรศาสนาไว้บุญบ่มันได้แก่แก่โสเท้าบ่มันได้จะเซนเท้าหยุกเข้าถนัดหยุคต่อไปค้นต่อไปมากสมารถได้สนได้ประโยชน์จากพระศาสนาที่เท้าจะโล่งไวไ้ในแล้ว บัดที่นี่อันค้นที่มานน้ำกล่นเท่านี่ผู้มีบุญก็มีได้นีงผู้มีบุญจะมีแบบดม่เห็นสถานที่ไม่เห็นสิ่งที่เท่าเฮ็ดไว้รักษาไว้เนี่ยแต่เลยได้โอกาสเพิ่งเล่ยบุญได้บุญใหญ่วันีมาบําเพ็ญยู่นี่เราเราได้บุญใหญ่บุญใหญ่กับไม้ความว่าเฮ้าก็มีส่วนนั่งคือกันนั่นแล้วเพราะว่าเฮ้าได้เฮ็ดไว้ได้อันนี้ันั้นออกนี่ก็ได้บุญสืบถึงต่อไปโว้ยเงี้ยอะตัว ก็จะหนึ่งการท่าหุนเพื่อให้จั๊กจั่งสีละน้อมใจสออใส่สะออนได้ให้จะออนให้ยิ่งดีได้หลายในหลั่งเป็นบุญหลายบุญนี่อยู่ในใจขั้นเท่าหูชื้นใบใจเทาสะออนเหายิ่งดีเบิดบา น, นปากปื้มใจ น, น, น, ม น, ออ น, นี่นั่นละบุญเพชรลูกชื้นอันนั้นให้มันใหญ่ๆหลายๆันสำหรับเป็นบุญใหญ่มีที่ได้ที่มาทำบุญมีที่มนเอาความดีโดยจะ่อบมุ่หนี้แม่นมู่ มันมือค้อมดีมันตีโปง้งมันติออกอีหละมาเก็ตเอาขวอมดีนีมื อ, อยังทีแหละเอาบบบเนี่ยมาถัากันหวค่ะเนี่ย